เสมมนสธรราโอชะนันโณพระธรรม เ, aw, เป็นของเก่ามันเป็นค้ากลางของเก่าของเก่าที่ควรเว้นก็มีของเก่าที่ควรเจริญก็ไม่บาปก็เป็นของเก่าบุญก็เป็นของเก่าของเก่าจะควรเว้นของของเก่าที่ควรปฏิบัติท่ำดีท่ำชั่วกับมันใจเป็นผู้ท่ำเป็นหวนากับของเก่าอใจดวงเก่าน่ะ ผู้ที่เว่นกับเว้นอันนี้มันผิดอันเก่าแหละผู้ที่ปฏิบัติกับปฏิบัติอันมันถืออันเก่าะของเก่าไม่ทั้งสองทาง่าขีแ ก, กบกกับมันของเก่าเขาซานกับมันของเก่าผู้กินเหลากับมันของเก่าผู้เว่นกับมันของเก่าคือกันผู้เว่นก็เคยเว่นมาแตระกรอนผู้น่ะผู้กินก็เคยกินมาตรกรอนคือเก่ากันผู้ที่ช่อนคนหนากับมันของเก่า พลังหันกับมันของเกาอันครผู้จะ้ปฏิบัติเพื่อผลทุกข์กับมันทํามันเกาผู้ศรีบ่อบปฏิบัติกับมันทํามันเกาว่าของเกาที่ควนปฏิบัติของเกาที่ควนเวนของเกาที่ควนปฏิบัติก็คือคว่ำดีของเกาที่ควนเวนกัคืออันคว่ำซัวโบราณอย่าถือโบราณอย่าทิ้งเนี่ยเนี่มันเมื่อดีเท่าคำว่าถือแหละเนี่ยดีเท่า เจาจังถือกบฏวิดถิ่นม่ากินเราก็กินมาแต่โบล่านหมนเว่นก็เว่นม้าเจ้าโบล่านหมเกิดเกิดแก้บตายก็มี่มาแต่โบล่านอันทุกเขาสู่เนี่ยพาดแลยกับมี่มาเจ้โบลานขอวัดปฏิบัติก็มี่มาแต่โบล่านพูดปฏิบัติก็มี่มาแจ้โบลานพูดบปฏิบัติก็มี่มาแต่โบลาน คือร่มหายใจเขาออกนะว่ามีข้างหน้าข้างหลังาคันี้เป็นข้าหน้านี่คันางหลังมาถาว่าเจ้าไมบคราข้าหลังกอออกมัดแดกมัดกันอยงสันพูถือว่าไม่บุญมีบาปก็ว่าไม่ข้างหน้าข้างหลังคือลมเขาลมออกพูดถือว่ามีบุญไม่บาปก็ว่าไม่ข้างหน้าข้างหลังคือลมเขาลมออกผู้ <Entonces> ปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ก็ว่ามีข้างหน้าข้างหลังคือลมเขาลมออก ผู collection collection いい้บวชปฏิบัติก็ว่าไม่มีขางล้างขางลังคือลบเข่าลบออกผู้พ้นไปแลกวคือลบเข่าลบออกเนาะว่าไม่มีขางล้างขางลัางผู้พ่ะท่านพ้นก็ว่าไม่มีขางล้างขางล้งคือลบเข่าลบออกอันเดียวกันะผู้ถือไม่บาไม่บุญผู้นั่นก็ต้องแสดงแสวงถ้ำถ้ำถ้ำบุญหรือแสวงทําดีว่างเนาะผู้ถือว่าไม่บาไม่บุญเนี่ยคืวไม่มีขวาย อันนี้ ก, กระทําจะพืด น, นั่ ก, กระทังว่านพืดรู้ประมาณคือกัวนกระเอาเสียบาปพดัดนะถือน้ําก็ไม่ถือของเบือของเมาอกไม่ผู้ถื้อว่ามีบามบุญก็เป็นผู้มีบุญอยู่ไม่มีการวันคืนผู้ถือว่าไม่มีบาบุญก็คือสามบาสามบุญสามบาบอยู่ไม่มีการวันคืน พระพุทธศาสน า, าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมพสมบัติในพ่านสมบัติขันทีมพระพุทธศาสน า, าและกับมนุษย์วิบัติสวรรค์ในวิบัติพมิวิบัติในพ่านในวิบัติน่ า, น า, น า, นนาห้วยน้องคอมึงบางต่างไรลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รูตัวชั้นใดคําสอนใดก็ไดรลงสู่คําสอนพระพุทธศาสน า, า, า, าโดยไม่รูตัวชั้นนั้น ไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้อะไรไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไรไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเชื้อเท็จจะมีกี่ระล่านก็ชี้ไปในทางที่เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคํำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศัพท์ชนะโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้อะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไม่เชื่อมนุษย์สมบัติคืออะไรคือเวนอวัยยมุขทุกประเภทจะวามนุษย์สมบัติ แล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติแล้วก็พรมสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติไปในตัวถ้าล่วงอาบายมุมกมุกล่วงละเมิดอาบายมุกทุกประเภทล่วงละเมิดเช่นห้าก็มาโ น, อนทิฏฐิบัติสวรรค์ไม่บัติพรมไม่บัตินิพพานไม่บัตไปในตัวถ้าทึกข้างหนึ่งเก็ถึกว่ามันก็มีทั้งยูง่อสองเศนเศนนึ่งไปทัางซัวเศนหนึ่งก็ทั้งดีทั้งคิดทั้งใจ เขาจะไปทั้งเสียนชั่วได้เสีนดีทำดีก็ทำดีหายใจทำชั่วก็ทำชั่วหายใจทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจทำดีก็ทำดีฉลองใจทำชั่วก็ทำชั่วฉลองใจไม่ไม่ไได้ไปฉลองดีเว่าอากาศจงเปนผู้ใจถึงในทางทำดีจะเป็นั่วใจถึงใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้ สงวนทํามดีอย่าเป็นผู้สงวนทําชั่วจงเป็นผู้รักความดีอย่าเป็นผู้ไปรักความชั่วจงเป็นผู้พรอคูณความดีอย่าไปพรอบครูความชั่วนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจทําดีแล้วก็ไปดีอยู่ที่ใจไม่ไปดีที่นิพพานขาด ท่านช่วก็ไป่ช่วยอยู่ที่ใจไม่ไปช่วที่ดินเพาะอากาศง่ายๆพระพุทธเจ้าได้เขาใจง่ายท่าดีบ่อยๆความดีก็บวกใจบ่อยๆท่านดีบ่อยๆใจก็สูงขึ้นในทางดีบ่อยๆท่าชั่วบ่อยๆใจก็ต่ำลงในทางชั่วบ่อยๆนอกจากใจไม่มีอนไรจะทำจะสูงเลยแผ่นดินสูงต่ำรุ่มรอนไม่เป็นปนัญหาขออย่าให้ใจสูงต่ำร่มรอนไปในทางที่ชัว่ว บวกเจ้าสอนใจเนี่ยคนตายข้สอนว่นเป็นเพราะมันเว้นน่านวายหาณเป็นกับมาสอนว่าพุทธลายพุทธลายธรรมาพุทลาธรรมาธรรยัคฆาธรรมาเขลเล่าให้บุญแล้วก็ไปหาบุญแล้วเล้อไปดันเขาล่าให้บาปแล้วก็ไปหาบาปแล้วเล้เอหวานไปเนาะปรเทศเนี่ยคนดีคุณฟังเ่ามปนเทศเนี่ยคนตายฟังอันนี้จา่าไปจะสร้างข้ารังขารแม่เที่ยงเล้อนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับสูญไป คนสงบแผ่สังขานเป็นฉุกสัพเพสัพเพชตามลิงสุจัมณิสตาเลสเทียวเมรังพิจัมมะลิงคือจัมณิสาเลสที่ตายอยู่เดี๋ยวนี้กรดีจะป่าตายอะไรไปข้างหน้ากรดีนับที่เมเอตสังสยบเราไม่ต้องสงสัยเลยประเทศเอาคนดีประเทศเราพีตา ย, ยให้คนดีเฝ้ายีบัฒน์บุญ มือห้าวขจิตายีหละว่าท่ามือห้าเขาสูพรนิพพานเลดับสั้งขาเนี่ยแล้วก็มาเกิดแก่เก็บตายว่าท่นมันเ่ไห้คนตายเท่ไหนคนดีอนนพิจารณาคนตายเหมือนจัเทื่อเมือนลอยเถื่อนลอยโอ้ยยังประมาทอาอนุนมันน่ารอข้างกอ่ดีอนนว่ามันน้ารอดข้างโอ้ยยังกวดียังยังประมาทอย่ ทุกลาไส้จะเขาอุกลำไส้จะเข้าออกยิ่งดีเจ้าเข้าเนี่ยกันระลึกแดงมันอย่ามันคิดสน็มเพว่าอันเลขอันพลาอันบัดอันเบือนมันพอกความแล้วอันโม่ห่อจะเอามาเป็นรองเข้าใจเลยแล้วจะเอามาเขี่ยวเอียงวุฒิเอ่องวุฒิเสียเวลาอันเลกอันพลาอันบัดอันเบือนให้คําไปซะ มันติดด้วยซ้ำหนังหัวมันก็ตายเฉยไเสื่อมล่ะของเท่านั้นละเมื่อไรอย่างนี้ที่ไปมรรคผลนิ่พลานไ่ยมันแทงไก่ัะโนงสองจิงลวเมื่อจิงนะครัไก่กระโดเข้าวเมื่อกูไม่เห็นเลยรู้แล้วยาตราวราโลมันจะเป็นเปตโตเปตเน่าในหมอกนะว่าอะไรทุกประเภทเป็นมนุษย์ไม่บาดเป็นสวนรรค์ไมบาดเป็นพรหมไม่บาดเป็นนิพพานไมบัตดอยู่ในตัว คนมนี้น้นี้ทำแหนง่ายคนม น, นีคน้ันท้าแหน่ากพระโสดาบันเพนเห็นวันท่าพระสูพันทิพาแล้วเพิ่นเห็นแล้วเพไดนว่าตัวเพิ่นกำไรพระโสดาวันเพิ่นว่าเชไดยถึงศาตร์ต่ดาอื่นว่าเชไดยอยากจะลองละเมิดเส้นหาว่าเชไดยอยากระองละเมิดอบ า, ายยมุตกระเภศ มใช่หนายกองเว้นผู้ใดเขาว่าทําผิดให้เอื้นก็บพวกูกเว่นผู้ใดเคยไหนทําผิดเขามาคับไม่เลวไปซะเขามาก่อมาคไม่เลวไปซะเราไปลงกอเขากันไม่เลวไปซะเมื่อจองเว่นผู้ใดทศดราม์ผิดปักตูเลปักตูบาปพิดหรเมื่อจองเว่นเขาให้ิดตกตูบาปผิดตตูว่าขาดรัพเนี่ พิสต์ต็ว่าละซับซับเนี่ยพิดตูตอว่าพิสพิดในกามเนี่ยพิดตูว่าพูดปดพิสต็อกตูวว่าดื้อโซล่าเนี่ยพิสต็อกตับาบเนี่ยเมรมณีเมรมณีเว้นแล้วนี่มูอเห่าไม่อยากอยากขวยอยากเว้นเนี่ยเมรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิสุดไปหอดบ้านได้เสียบคูดตูสอนค่ามพระเรียนนี่สิ มูห้าวต้องเห็นโทษไมเศ้ากันพื่ได้ยากไงพระสวัดาบาลเนี่ยจะไปรวงระเบิดเสียงหาคันรักษาชิ้นแล้วมันทีได้กินเอียงมาแต่ว่ากับกิเลสพญามารมันมักกัสชีพหูมันอย่างนี้จัมันอย่านะมันไม่ได้กินอียงมาแต่ว่าไม่เสียนาเพื่อนห่ได้กินหลายกว่าห้าวซ้า พ่อปะขาเขาก็ขายอยู่เนี่ยเขาไปซื้ออะไรอยู่เขาก็ะพยินดีนําเขาจย่อมพยาบาลทัพยจะได้ารงกล่องขอโว้ยจะตัวท่าเหตุเทินหลายอันนาเลยว่นว้ยพวกขาเขา่อยากมาเห็ดเจ้าพี่น้องเนาะพวกขามีบาปอยู่วะ่น ขอพกข่าวพวข่าวั์รักรัพาพูดพิษแน่กล่ำเขอได้ขอนึงกับบ่ยนดีกับบ่อบริเฮตแจ้วมาห้ารังเทียผเย่ยนนคดเยี่นดีน้าเดว่าสันเออส้นหาผู้ข่ากับบริบูรณ์นูแจ้งหาลังารกคิดผันยีนคืดจะเพิ่มนําเนอันคณะกาคิดขึ้นจะเพิ่มน้ำบนรดก็มันน่ยก้อจมาเป็นจ้าย่อพิบานูอันนู่เจ้าของขาวีดีเลยว่าสันข่าทั์รักัพมาพูดพิษแนกามไม่ดีขอได้ขอหนึ่งมันรวมขอได คอยก็นยิ่งดีนล้วขออะไรขอนึงการร่วงในร่งมัวร์หกโกรดวะั่คอยก็ไม่ได้เห็ดแต่ทํำดอกหังยิ่ดีน้ำพันังเทียววะั่มันเริ่มสติวะั่คอยก็ได้มาเป็นจายยมพิบาติผู้มูเจ้าอยู่นี่แล้ววะส่งมูเจ้าลงมือเห็ดดีวะสั่งมันจะค้นสมบูรณ์แบบและจะเอาเว้นเอากำน้ากันวะสั่งกำใส่กำลงไปเขามันเลจายยมพิบาตว่าไงละ่วยําดีพระพุทธเจ้า อย่าเป็นผู้ใจเสืในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจเสือในทางทำชั่วเลยพระพุทธเจ้าอเป็นผู้สังวรทำดีอย่าเป็นผู้สังวนทำชั่วเลยจงยาหัดยึดใจไปทำชั่วจงหัดยึดใจไปทำดีะจงมีสติปัญญาเหนือ จ, จิตใจจง่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดี จะเป็นเฉพาะเธอแม่ในทางทำชั่วเลยพระพุทธเจ้าจะไปพูดใจถึงในทางทางดีจะไปพูดใจถึงในทางทำชั่วเลยความเพียรมีสองอย่างเพียรละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายอุทธาตาวินทัตเตสถาั่งค้นมันย่อมหาทรัพย์ได้เรียกว่ามันในทางที่ชอบไม่ใช่มันเล่นเลเล่นผาเล่นบัต เ, เล่นเบอร์เออมันในทางที่ฟ้าอ่ะ เนียผ้าบัตรเบรื่อมันเป็นมนุษย์ในบัตรมันเป็นสวรรค์ในบัตรมันเป็นพมมุทธในบัตรมันเป็นในผ้าในบัตรเขาเจ้าตังมาแหงสัง่นรัฐบาลเพิ่งกระห า, หามยุมะฟั่งไรเพริเ่นกระไรพขาโลคออกไรเชื้อสนอกเห็นไหมสั่นมันสู่พวกใต้ดินก็ได้เลยเพราะโลคออกไรเชื้อเนีเ่ยเขาไปเขาไปเก็บยังเมาอ่ะเขาเหตุยังไรสั่น แล้วตั้งนามเสื้คุชันเขากระไตกระบอกแม่งเมากรมาตกมันเขาจะเจ็บออกเจ็บออกมืนัวอันนั้ก็คือกันเลนั่นแหละเขาเจ็บแมงเมากับอันเดียวกันรัฐบาลเล่นเพิ่นไปเอาเงินเพิ่นเด็นเน้เพิ่นเอาเงินผ้าชีอาก่อนม้าเห่านเล่นชิบหายเพิ่นก็ชิบกับชิปหายกันกรเางนกระเป๋าเพิ่นเพิ่นไเอามาเล่นน่ คนห้าวลุ้ยก็เพิ่นได้เพิ่นทีสอนทอาได้กว่าท่านอดข้อมันถูกยาวหัวมันมันจะเห่นเอาสีผ้ามันเหรนมันก็ว่าท่นตัวนั่นมู้โตมีเงินได้หลายเพิ่นจะบังคับได้กว่เพิ่นกับเนี่ยมัเลี้ยแคลงเรียกขามู้โตคนตัวมู้ห้าวทุกข์ก็เพิ่นเพิ่นจะบังคับได้ไม่นบ่นั่นมาล่อเล่นมันทำแง่พรเจ้าพรเจ้าเจาไปเหรมันทำแง่เหรนเป็นขู่ทำแง่ใช่ใช่หตัว ฝั่งควบพระเสียสะเสีสยใต้ฝั่งควมขวัญเสียฟันเสียมือ่นฝั่งควมอันอื่นก็ชิบหายคือกันว่างได้เมื่อเมาเป็นเขาตะเกียงเหออ็นกรงจับประมาณดอกบัวเห็นจมหัวมันจะถูกอเลขกมันก็ชิบนหายอานเนีกอหน้องอันอ น, อ น, นั้นฟังควบขวันก็นชิบหายคือกัน ฟักความฟันนี้ม่เป็นตาฟังเชือดน้งเชือ่นั่นฟันว่าไราแม่สร้างว่าค่อยจำแรงตื้นมือเศร้าขี่แหงกระโบงงีแม่นบ่นั่นสู๋สู๋อ่ะสู๋ไปวัดผู้สู๋ได้อีย่งมาแน่ในกูกินน้าแน่เพืาา่อ่าบอืมกินบุหรี่ท่องแหงบัวขี่กระมวยตัวขี่กระไม้ฟุ้งข้นมาถึงจับเชือกเป็นตัวมูอว่าตัวถือเสียเปรียบพ้น บ้าเนี่ยนั้นก็มีงา้นบอกบ้าเนี่ยนั่นก็มีไอบ้าไปบ้ามาที่ดินกระเชียที่ลูกหลานทุกขาเที่ยดินเรียบปั๊ดเดี๋ยวนี้ทั้งอัวอนไปเลียนเลข ย, ย่งเงย่ ง, ยงน่อยเป็นช่วนหน่อยไฝ่หม้เฮิร์ตไม้ซ่านนั่นก็ไม้ขีดินไฟ่ไม้เล็กไม้ฟ้ามันไม้ขีดินมุ่นพ่อทุ่นแม่ไม้มัดเอาหลด เฮ็ดพี่ซบจองปองวงาเนี่ยจะปูกมันก็นยังมีที่ขวดหูห้เข้าแต้แทบไม่มีที่ดินเฮ็ดกินม่ทันเป็นเอาเข้าไปตลาดตะลี่เข้ากับหิวพักหิวมีไปนั่งก็บเด็กซื้อถือขายแพร่มากินกับไข่ได้อันที่ออกกระเป๋าไปคล้องไปซื้อเอาใจเห็ดเนี่ยมันม่มีนี่เล่นเล่นเลนพลาเลียนมากพรา พ, พ่อมันมีเงินไปตลาดคนตัวเข้าเห็นพ่อแห้งเนียังเจ้าพ่อแห้ ง, นงหน้าหนึงมีเงินอยู่หลายล้า ไปเล่นเตเลทเล่นมาพพ่อเรา่มีผ่าท้ายให้นั่งนะเป็นเลือดเป็นยางมากกับแมวันต่อพื้นพื้นพ้พยาอาบหน้าเพราคไม่อด้ใอาบอาบเต้นเวานม่นมีผ่าท้ายแกชินอาบแก่าอาบยันนี้จะร อ, อตายหรื อ, อย่งบุกุ่นจะชอบพันห้ารอยสิบุ่นเท่าไนยื่นข่าวาว่าก็ตายลเลยเตี้ยน ไปเทศงานใช้ขากรบเพาเอาเขาสัน่นขนชีเสียงคนมีเงินล้านปันนี้และวนีย่ยมาชีเสียงเนียอามาเท็ข้นงานมันกับกระเะเจริญเข้ามาั่น เ, าานเราโตะลงรับผู้ใดกับบริจางเร า, า, าเราตายจะเีปันนี่คนโสดไปเรเย น, น, น, นละเลข้นวางเครื่งคนอะไนัดอลอด เฮ hey, จะมาสอนดี่ฟนพระเจ้ามไม่เนอะในโลกนี้พระพุทธเจ้าสอนทั้งอนุษย์สมบัติขั้งธรรมสมบัติทั้นภูมิสมบัติทั้งนิพพานสมบัติแล้วอย่าไปสงสัยเลยผู้ใดจะเทศดีวิเศษจะเพียงใดก็าตามจนน้าไหลไฟดับก็าตามก็อเอาคําสอนพระปรมศาสทัศน์ า, า, า, านั่นเองมาเทศนับแต่นโมเป็นต้นไปนโมพระสุวรรมันนโมบรญวงระมุดชินหา นโมออกไปว่านอบนอบไม่เรียนเลขเรียนผาไม่เรียนบัตรเรียนเบอร์นโมพระสวมันม่นใช้หลายดวงระเบิดชิ้นหามใช้หลายวงระเบิดอบายมุขนอบนอบนอบนอจนว่า่วงระเิดชิ้นหามันระเมิดอบายมุขนโมนโมพวกดวงเกินกันนโเลขนโมผ้านโมบัดนโมเบอร์นโมขิ้ผายว่วอดนโมไ่ขี้ผ้ายว่าวอดเราเจ้าของน่ะขี้ผายว่ายอ เรื่อได้เรื่องได้ก็ดีขอหมอบกายถวายชีวิตต่ว่าพุทธระธรรมระสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีปรมาณเมื่อคนทุกขนวัฏจังสารโดย่วนอยู่ทุกเมื่อเทินเรือได้ไม่ได้กรีขอเข้ามาโทษด้วยกายวาจาใจต่ว่าพุทธประธรรมระสงค์อยู่ทุกเมื่อมีประมานเมื่อคนทุกขนวัฏจักงสารโดย่วนในล่ได้ไม่ได้กรี ควาทวนถวายสกลและกายวายชาใจเป็นข่าเป็นท่านพระพุทธเขาชังมอยู่ทุกเมื่อมีมีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัตจ ส, สามเดยอหนึ่งนะพจ้าผนดนชาตินี้เกิดพัจจ้าวรนณศาสิร์พที่วารามาในเที่ยรู้ทำจริงพระเจ้บั ต, ตรทำ จ, จ, จ, จ, จริงุดท่อนทำจริงข้าพเจ้าชงรู้ทำจริงพระเป้าบัตราจริงรุดท่อนทำจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินหุ่นมันจนังไพร์เพื่อเนือ้องไต่ได้ลงห้องขําพ่อแมแอนกันไว เกิดว่าใด น, น, นั่นต่างตื่นติวมีแต่ไรลองเริยวลองหอมบรรดารีบปฏิบัติความดีรีบสร้างกศุศลเพนบุญซะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระพุทธเจ้าลูกหลานเอ๋ยรีบทาเสียเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพะพุทธเจ้าทำเจริญวัดระบาดบ้ามากคือพระพุทธเจ้าโอนอยู่มาเถิดมาเถิดลูกหลานเอ๋ยพ่อข้ามมาในเล้วทางนี่ลูกหลานจะไปอยู่ทางนั้นอไฟไหม้หัวอยู่รีบดับซะ ข้า ม, มหาพ่อทางนี่ค่ายเ ข, า, ขาบาข้างครั่นะขาสอนแจารย์หลวระบาดพระพุทธเจ้าเอื่นยอยู่เพรมีเขาวม่หงคืนในหมูเานี่หมูหนวกตาบอดมวงวงาฟังเขาย่างกันกินจกตากันอยอะนี่สมัยนี่น้ํไล่พระพุทธเจ้าพระร้ำพระรยายสงฆ์เยนวัตาสงสารเนี่ยขีเพื่อนกัว่าได้ยากกันกินอยอะนี่พระขญาพระพระย่อมข ย, ย, ยาดพะย่อมญาติไปญาตมากกับพระกัดตายกันเยอะนวัดตาสงสารนี่ ปัญหาความสุกในโลกมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุ น, นั้นจึงขํามทะเลหลวงของตนไปสักหาเราคอจะตีบสงเลือดแม่ทันโลกทรงดัดีเป็นนิวอีกนี่กระไรเว่เว่นจินทับกบอายุสิพาปีสอบแตับกบกินตับกินพุ่งมันกบงำแรงน้ำฝนว่ากินดอกชีกรเดีม่มอั น, อ น, อน ชิโพมันอนะ่ะน้ำแรงเนี่ยไปแรงง่วงแ้งกว้าทุบหัวไปกินพอเข้าไปน้่เว้นั้นตามมากก็เลยเป็นโรคเพราะใจโรคทุเลมดีเป็ น, นเนี่ยนิสมามรถท่านวมาพาประจัดสั้นยาวสั้นยาวมาหลายปีแล้วสัญนยา เยอะมันพอ่อทุเลาอยู่ไปเอ็กซเรยบ้งว่าท่านหายใจหาย่ากําเลิกขึ้นทุ่นดดีว่มันเนิวตายเหนียวดำดีเหนิยวตายอันนั้นแนี่เพิ่งกะตุกได้อันนี้ไม่จะเนี่ยคลองคล อ, องคำว่ายากพาจากตาัดคำว่นคลองขึ้นคลองขึ้นก็เป็นแผลคือกัน กลับแล้วพุทธเขากลับโมมี่กับพุทธเือพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาทาเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความรายต่บาตรความกวนต่บาตรเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าเศร้าโลกไม่ชี้หามองวูสงข้ามโลกขโมมีสงข้ามกขโมมีทหารขโามี่ตำรวจขโมมี่ํารวจก็ไม่มีทหารก็ม่มีรตรวจก็ไม่มีขาของก็ไม่ต้องเฝ้าแม่นวะเร้าโลกโมมีชี้หามีบรรยางอ พู้ตั้งกนหมายก็บไม่ใช่นายจก้นช่างว่าเพียงเหรอหรือสิมีก็ประชักว่าเามองมึงขึ้นอยูม่มีนะมึงแน่ท่านน่ะคันมีสิไปชี้แตกเราให้ยังพผู้เทนชีแตกเร า, าสัง่ง เม่เหรอข้ามาพระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเอาก็เถียงเต้ยพระบรมศาสด า, าก็สอนบอกให้สอนบ้านสอนเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเอา้าหน้าที่ของคราวาสทํายังไงต่อพระเอาถามหนึ่งด้วยกายกรรมคือทํา อะไรอะไรประกอบเมตตาสองดรามาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอนด้วเมตตาสามด้มโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอนด้วยเมตตาสี่เรื่องความเป็นผ uh ู้เป็นผิดประตูคือห้ามไมให้เข้าบ้านด้วยห้าโดยให้อเมธสถานนั่นนั่นนั้นฆราวะเทตกระพระพระเหตกับฆราวาสหนึ่งให้มากระทำความชั่วสงกระทอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนำใจงานสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสวรให้นั่นนั่นขันโวเมียนนี่เดีเอาพระไตไปรฎก ไปเพเาไห่าจิมสักออกวางอะเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้เอาอะไรเงี้ยฆ่าห้องสัตตัวอืมขอเขาบอกจะมันมีนนี้อ เ, เออเน่าตัดทิงเพราะเรียบเอาเข้าไม่ได้อันลูกอันถ่าออกขนาดนี้เอาเข้าไม่ได้เอาเข้าไม่ได้มันก็เน่าที่นี่เน่าก็ลูกปูก็สลบอยู่ที่นี่แล้วสลบอยู่ที่นี่นะลูกปูก็ไม่รู้ตัวเลยเพราะเข้าผ่าตัดเนี้ยก็อยู่คนแก่ ที่นี่เขาก็พูดอย่างนี้หลวงปู่ไม่ได้ปดัญญากับเราว่าจะไม่ผาไม่ครับหลวงปูป่ปัญญากับท่านผู้ใดก็ให้ผู้นั้นปฏิบัติเอาหลวงปู่ไม่ได้ปดัญญากับเราถ้าเราปล่อยให้หลวงปู่อยู่คราวนี้หลวงปู่ก็ต้องตายเราจะผ่าตัดเขาพูดอย่างนั้นหลวงปูป่ปัญญากับคุณหมอเอประดิษฐ์เจริญไทยเทวีหรือคุณคุณหมอสวิเตเทเวศ พวกนั่นปฏิบัติเอาหลวงปู่ไม่ได้ไปฏิญญากับเราเราก็จะผ่าจะตัดเลางปู่อย่างนั้นเราปฏิญาว่าแม่ผ่าแม่ตัดแต่เราเปฏิญากับพวกนั่น <c oughs> พวกนั้นจะเอาเราผ่าตัดแต่ก่อนเาอ้เาทํ า, เ, าทเอง เ, อง เ, เชียงพิทพวกเขาเองถ้าบอกว่ามีพิทเท่านั้นเราจะรับเอาเขาว่าอย่างแต่ว่าหลวงปู่ไม่ได้ทราบดอ ก, พกเพราะหลวงปู่สลบไปแล้ว เออหายแล้วหายแล้วมันมีลูกศิษยั้หอยู่ทางนั้นมีพอสามคนไหมเยอะกว่าเยอะกว่าเยอกว่าเลยแบบว่าเนี่ยมาเ่นี้ก็จะชวนนพวกเขามากันเตค่กไม่ได้มาถ้าอ่ากศิษย์้งหเรอออ อยู่กลางพระนครหลวงหรืออยู่ที่ไหนโอ้ยู่วงกลางเออูนวงกลางขายเพชรระวังให้ดีเนะเขาเข้ามาดูหน้าดูตาเขาได้เขาเข้ามาเลือกเอาระวัง ด้เลยคุณพ่อพุทธกทำประสงค์อย่ามีจนมีผู้ร่ายเลยให้นึกอย่างนั้นเนอะขาเผ็ดภาวนาพุโทโธเนอะภาวนาพุโทโธพุโทโธให้นึกในใจด้เดยคุณพ่อพุทธก็ทำประสงค์ลงบนดอนยานอย่าให้เขามีใจอมะเหตดเลยนึกอย่างนั้นเออเงินเอาไปไว้ไหนเมื่อ มีเงินหมื่นล้านเนี้นยนะไรนี่ <c oughs> ไม่ถึงเลยวันหนึ่งวันหนึ่งขายขายละวันละกี่หมื่นไม่แน่นอนเออแลูกปู่จะแผ่เมตตาให้ได้เด็ดคนเราพูดก็ทำละสองอย่ามีอันตรายใดๆท่านเพี่ ก็ทำตารลโลกาอยู่ทุกเมื่อทืนอเห็นไพ่ในวัดตาองศารผู้เห็นไพ่ในวัดตาทองศารเป็นผู้ภาวนาดีเด้่ผู้เห็นไพ่ในวัดตาท อ, าาอางศารก็คือผู้เปิดประตูพระนิพพานนั่นเองเราจะไม่ถือเรื่ดียามดีเลยเวลาเราทำดีในเวลาไหนความดีก็ต้องดีกับเราในเวลานั้นเราทำชั่วเวลาไหนเวลานั้นก็เป็นความชั่ว ไม่ได้อยู่กับวันเดือนปีปัศดาวันต้องถืออย่างนั้นไม่ใช่ได้ค่าขายเพื่ออาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรืองสัตว์เที่ยบตัวค่าก็เป็นอาหารค่าขายล้ะเมาค่าขายยาพิษก็ไม่ใช่ได้จากค่าขายเลยน้ำพระสวดาวันถึงปะสดาวันแล้วก็ได้มนุษย์สมัดฉัฏสมบัดพรหมสมบัดนิพพานสมัติไปในตัวเต็มภูมิ บานหน้าไปสู่ความเจริญทั้งด้านจิตใจและวัุนิยมและอุดมณติด้วยเอ้าวถ้าชาวโลกมีเสถียรภาพบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่ต้องมืตำรวจก็ไม่ต้องมือข้อตุลก็ไม่ต้องมือคดีดำคดีแรงในโรงในศาลก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเป้า คุณแจก็ไม่ต้องมีเวียนยามก็ไม่ต้องมือนอนก็ไม่สะดุ้งผวาพระไม่มีเวรอยู่รับข่าเพียงเชี้ยห้าเทานั้นสงบแล้วทำไมเราจึงปฏิบัติสิ่งธรรมพระจิตใจมันสชคบกถ้าจิตใจมีโรคโกรธหลงอยูก่การพยายามให้บรรเทาในโรคในโกรธในหลงก็ปฏิเสธไม่ได้ ร่างกายมีโรคอยู่การรักษาโรคและร่างกาย ก, ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันกาไรใครโก้ก็จิตใจเป็นพวกโกขึ้นทําดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกยินฝ้าอาการเลยทําดีก็เป็นที่สบายของใจทําชั่วก็ไปเป็นที่เหลื่อล่อนของใจนั่นผลของการกระทา ไม่ได้อยู่ที่เรื่อว่าอากาศตอนไหนทําดีก็มาเห็นเดือดร้อนตอนนันต้องเชื่วก็เดืออร้อนสิ่งไหนที่ทําลงไปแล้วเดือดร้อนภายหลังสิ่งนั้นอย่าไปทํำถือพระบรมสาราสิ่งไหนที่ทําลงไปแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังสิ่งนั้นจงทํำถือจงมันผูใ้ใจถึงในทางทําดีแจงเป็นผูใ้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงมันผู้อาถามต่อความดีความทนอยาา่าเป็นผู้ไปอาถามในในความชั่วควาทนเลย จงเป็นผู้เอาความจำเป็นออกมาว่าจะได้ทำความดีอย่าไปเอาความจำเป็นออกมาว่าจะได้ทำความชั่วทำดีก็ไปบวกดีทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ที่ฝ้าอากาศทำดีก็ต่ออายุของความดีทำชั่วก็ต่ออายุของความชั่วทำบุญก็ต่ออายุของความก ก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจาว่าปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจทำดีก็ไปฉลองดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปฉลองชั่วยอยู่ที่ใจไม่ได้ไปฉลองอยู่ที่เรีนฟ้าอากาศพระพุทธศาสนาสอนได้ปฏิบัติง่ายๆกายกับวาจาอยู่แต่อํานาจของใจแล้ว ใจพาพูดจึงพูดเป็นใจพานั่งจึงนั่งเป็นใจพานอนจึงนอนเป็นแต่เมื่อเหลือเหลือวิสัยมันก็จังฝืนถ้าเจ็บป่วยลงเหลือวิสัยบอกให้มันพูดมันก็พูดไม่ได้บอกให้มันเดินมันก็เดินไม่ได้อันนั้นมันก็ฝืนได้เหมือนรถถ้าเดีน้าไผ่ลมขาดไปแล้วมันไปไม่ไหวจะให้มันไปมันก็ไม่ไปจะตีบางคนเพียงเพียงเพียงเพียงมันก็ไม่ไป เพราะธาตุสีทีน้าไฟลมมันขาดร่างกายก็เหมือนกันถ้าขาดจากในน้าไฟลมลงธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่คิดใจลุกลุกลุกลุกไปเถิดมันก็ไม่ไปไปไม่ไหวแล้ก็ฝืนแี้จิตเหมือนนายกายเหมือนบบาวก็จริงแต่ว่าเมื่อเลอเหลือวิสัยก็ใช่มันลุกมันก็ลุกไม่ได้ ใช่มันไปมันก็ไปไม่เป็นใจของเราเปรียบเหมือนคนขับรถร่างกายก็วายาเปรียบเหมือนรถถ้าขาดธาตุลมแล้ว ก, าาาาก็ไปไม่ได้ถ้าขาดธาตุน้ำก็ไปไม่ได้ถ้าขาดธาตุดินก็ไปไปม่ได้ถ้าขาดธาตุไฟก็ไปไม่ได้เหมือนกันรถร่างกายของพวกเราก็เหมือนกัน แต่คิตใจมันยังนึกคิดอยู่มันตายไม่เป็นทานาไม่บุญทวีตว่าการบริจาคทานะไม่บเญ็วีตว่าการรักษาศีลภาวนาไม่บุญทวีตว่าการเจริญภาวนานี่เป็นบุญกิริยาวัตถุสามอย่างจะ เ, เพิ่มเขาเ้าอีกซี อภิจายจะนาไมาบุญสมเร็จตระการพุทธถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ข้อห้าว ย, ยาวัจจะไมบุญสมเร็จตระการเพื่อขอนคนวายในกิจที่ชอบข้อหปฏิธานาไม่บุญสมเร็จตระการให้ส่วนบุญเกปตปัตานโมธนาไมยบุญสมเด็จตระการอนุโมธานาส่วนบุญแปดธรรมมัชธวนาไม่บุญสมเร็จตระการฟังธรรมเก้าธรรมเทศนามัยโดยบุญสมเร็จตระการแสดงธรรมทิพทิฐุจุกรรมการทำความอย่างแนตรงมีแต่บุญทั้งนั้น ถ้าเราทำให้เป็นบุญถ้าเราเราทําให้เป็นบาปก็มีแต่บาปมาวัตติโลกโก้ทั้งโลกัป็นไปตามกรรมทาไมเขาจึงไม่เลื่อมใสรมพระพุทธศาสนาหมดก็เพราะบารมียังอ่อนทําไมเขาดึงจึงไม่ได้ปริญญาก็เพราะกศสรากาขอสราขาเขายังเฮียนอยู่มันจะได้อย่างไหนแมนบอกโยเขาสั่นแน่เว้ยทำไมเขาจึงไม่ได้เป็นเศรษฐีหมด เขพามีเงินสองสามแตกต่างนะว่าที่ได้เป็นที่ไหนทาไมเขาจึงไม่ได้เป็นพระทหารหมดก็พระมีกิเลตเต็มพุงจะได้เป็นพระทหารยังไงพระมีนบอกพระทหารมีอยู่ในโลกไหมพระทหารพิบ้าอะไรจะมีอยู่ในโลกพูดเป็นบุคคาราทิษฐานเฉยเฉยพระทหารพิบ่าวยังจะมาอยู่ในโลกคิดว่ามีพระทหารขึ้นในโลกเท่านั้นองค์เท่านี้องค์เขาบอกเป็นบุคคาราทิษฐานตัวจัดข้อหมายเลย เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าบรญญัติพระพุกธละบรนนาติพุทธะโลปรับปติสัทธิกคาถาปนมัตเถนาตินาเหงวังวัตเตเพออาชานายิ่งต่างงานที่พุกธะโลปรับปฏิสัทธิ์าถาปนมัตเถนาเตรวัตเตเรวัตเตเพโยสัทธิกโตปนามัตโทนะเพื่อกับบญญัติพระสวสดา์บันฑ์สาคข้าฆ่ามิอนาฆ่ามิกับบรรัติเพื่อให้รู้จักตัวบัญญัติตำลอม้าหันนีกไปนรกหันไปตังสี่อีกสันตัวเนี่ยในสป็นสัตย์เจริญานสันตัวนัน อันนี้อันพะพุทธเจ้าบอกว่านี่บมบรรยับมันไ่มีแล้วอันนี้ไม่มันหยัดสิ่งที่พุทธเจ้ามาบรรยัติขึ้นไม่สอนสิ่งที่องค์ทรงบัรยัติไว้แล้วจะมาทามศึกษาเนียสื่อข่าบทตามที่องค์ทรงบรรัติไว้พระพุทธเจ้าไมีอยู่อันนี้อันพระพุทธเจ้าบอกวามรยัติมันไ่มีแล้วอย่างไม่ชีู้กเก่งมาไดนว่านำไร้ไฟดับปานี้จะตามหรือไมกรเรื่องกลางพระพุทธเจ้าแล้วมาวาเอามาเป็นวิชาของเกยับของเข้าเกี่ยวกับเบื่อนายห้อง ี่แล้ว่บเรียนปนกรงเป็นทหารมือนึ่เเริ่มกลางพระพุทธเจ้าทิศลงมอระหมือนี่ก็าเริ่มกลางพระเจ้าพระเดชมาพแหงแล้วพระพุทธเจ้าสัตว์เลยเพื่อจงนมาสอนเราทั้งทั้งดีทั้งตัวขันรููมาแ น, น่เอามาเป็นควอมููของโตรพระพุทธเจ้ารู ก, กวรวดแล้วใครเป็นผู้บัญยัติถือสั่งบาบุญคนโทษเขม พ, พุทธเจ้าอ่อใครบัญญัติถือเขาบัญญัติแซวพระพุทธเจ้ า, าสุรานี่กินเป็นไรก็เป็นไรก็มันไม่เป็นไรหรอกเขาเว่าอย่้ มืนกับเสียรทรัพย์เป็นระยะก่อการทะเลาะวิวาทเป็นระยะเกิดโรคเป็นระย ะ, ะ, ยะต้องที่เตียนไม่เป็นระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะตอนกับรังเป็นระยะ น, นี่แตามาให้หมูเฮ้ากินมึงเดียวนี่มึงรู้กันว่าเป็นบ้าขึ้นน้ำบ้าทุกท <c oughs> ันเลยไอ้กินเป็นบ้านเบิ้ลนี่ยเดี๋ยนไหอันนี้พระพุทธเจ้าว่าในสอนมันไม่ใักแนวหว่อไปทำท่าวาสนาแล้วก็พระพุทธเจ้ามันจะได้บ่ เด็กกลางวาพุทธเจ้าตัวกินเขาย้อนหนึ่งกนก็เป็นเขาว่าพุทธเจ้าตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเฮ็ดแก่นหนาค่ะคือเขาเอาไม่ให้ขินเผื่ว่ามันบุญท้องตุ ว, วัดว่าศาสนาคือกันละดีก็เป็ท้องฟื้นซัวก็เป็นทองฟื้นบ่เม็น้องเฮ้าอม่วเฮ้ามากโกโดนน้กินี่แล้วมาจกตากันกินีส่สได้ น, นนอนเหมอนบพอพระพุทธเจ้าพระธรทางรายระถิมมั้งหรในโลก น, นี้ พัดชิมล้วสิว่าไม่ต้องพัดนี่ครับสัมเข้าขีไปหานไม้ยายกันจินกันยังว่าขีเพ่อนพุ่นนี่อยู่เนี่ยสัมเข้าเด็เสียตายเอามาใช้ถอกอีกบอกนั่นเข้าทบไลยชิมมุหงมุดมันไปจ่อนึ่งไลายพื่นเพื่อ้นี่นะกูเห็นมาทบนี่ว่างเงี่ยเพราะว่าเข้าไม่ได้เคล่านวจะเอามาใช้ป่าก็เทียสัตวนคือกันในตโลกธาตุเลยก็เป็นม้อแของพระพุทธพระธรรมประสง์ผู้ผลผลทุกเขาสู่ผลได้ผ่านไปแล้วหมดแล้วก็มาจกตากันจินอยู่นี่เห็นบอกผู้มีขี้เลี้ยไรก อนแล้วมนนีไม่ต้องหัวใจเลยมัดยังคอยได้ปจัจใจชี้ี่วันไม่ถนาดเชนานนัในบางวันจะปัจใจชีแต่นับจะพวกมาโหลกลงมาไม่ น, นำไรของพะพุทดพอทำพระสงค์ภูเขาสูพนิพานหมดแล้ววางเลยนั่นนั่นนั่นนั่นเฮาข อ, อ่ปมาคือหมดตัว เขาอากแพนทีโลกไหมเฮ้าเบิงเฮ้าไปเบิงมันมีเท่านี้นี่นี่นอกกากนั้นน้ามดนี่ตัวบอนเฮ้าจกตากันจินอยู่มันเช่นกันวะขมันพังลงนี่นก็ตายมื่เหรอเห็นแผนทีโลกขึ้นขท้องสานจะคลองกับประดัดขึ้นท้องสานเพื่ออื่นกับประดัดนี่ตัวบัลมูเฮ้าจกตากันจินอยู่นี่นี่มันนโลกก็แต่มันนี่มีจะหน้ามืะ สซเซอ้อมหาสมุทรแปดที่ฟีที่ฟาเนี่ยเหมือนไซเราแค่ไปแตะกันแค่น้ามันเดียวกันม่รวงกันหมประเทศนั้นประเทศนี่ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศแท้ประเทศเก็บประเทศตายด้วยกันประเทศที่เดือ้กันกันละบ่ได้ไปนี่จกตากันจินยู่นี่นีม่ห้องฉันขันพังต้องมีเศประเทศเดืมีสนามเหมือากันแม่ท่านบอกเออพระาุอืเจ้าอ๋อ ล็อปูชาสุพัทโถล้อปูชาบอส่งเสริมเสรีสารได้ล็อปูชาถือกับกิเลสเนาเ <c oughs> นาะเขาว่าส่งเสริมเหมือนกันอแออคันว่าก็คือบรรก่กี้เที่นโลกเขาของพิบ่าวิมารซาพิบ่าว่านะไรแล้วเถอะดีเถาะพิบ่ า, า, าวิาม า, า, ามรซ า, าได้า่าทะเลาะ คนนอกประเด็นกม็มาทานนอกกม็มาทานนอกสนามาน่มาสั่นจมาซเรื่อคนพี่บาเรือว่าจะรอเาูได้ซ่ า, าพี่บาเป็นบาอลไรก็พี่บาเปล่าว่าจะ้วงตะกี้ว่าจผ้าบาวว่าจะแนนมแหนมตะกี้ไปไปอาือา้อมาให้ไว้ซื้อ่ิ้นวัดไป พาะสุเกตมันเป็นยางไรอ๋อเห็เบ็ดก็คักสมัยนี้ได้ขี่รถเบ็ดนดันเพียงเนียเพียงเนี้ยมามไม่ด้รก้ี่รถัตว์ผ้าไอ้บาส้ัตว์บดเบือทเนโรคท้องฟูว่กินน้ำร้ายอ่ะนกินน้ามันันเม็ดกูว่าเสูรหลลยขันได้ขี่รถเบ็ดไม่หรดีมากเดยว่าได้ขี่เครื่องบินล่งมาเลยอย่างที่ใกล้กับว่าแตกนั่นห่ มูห้องส่งเงี้ตัวเดียเาไแห้งหัวนาโมบอกแทบเอื่นเดี๋ยวดยจูก่กระไดขี้เคร่องบินสองเทีตีเ็ไปค่าเครือีเอีดแล้วฟุบมูพันขี้ออกนอกประเทศผลโว้ยกูจะไปตกเครื่บินตายคืองพนักงนทิ้ง่องเลยน้องพนิดซาเลยน้องสนนท์ทัพนี้มีเยอะโตมูพัน ท, า, ท, า, นนทมนามประเทศ เขาก็มาถามเท่าไรเนี่ยเอยโยนแล้วพระพุทธศาสนาพูดทำาเพจมันคือหลายอะนเนาก็ผู้อะไรลงรุมลงรุ่ยรุมทานเพิ่มกับกห่อนพูดอนตัวเข้ามาได้ลกเลยมันมันจะห่อนบอกว่าสังเราห่อคันต่งีผู้ทำเพจมันจิมันจิตบริบูรณ์หพระพุทธศาสนาก็มีพู้ทำาเพจมันพู้ท่าเพจกับเพจอีกีน่ไมันจะบริบูรณ์ด้วสัขังพระเจ้ากับพระเทวทัตก็ล่งคือกันนรกวะ ก็พอเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสื่อมแน่หรอว่าสันสน่ะนั่นว่าสันน่ะุพุทธะมั่นนั่นถรรอานปมั่นนั่งกินขชีมมั่นนั่นทายากุนลงมารหกทั้งเป็นทั้งนั่นละ่ะงพ่เห็นพระพุทธเจ้าไปลงน้ำแน่หรอแม่นบ่นี่ผู้ทำศาสนาให้เสื่อมได้บ่สันา ว, วาเ อ, าอ้าเขากรถามย่อนขับอีกเนี่ยผู้ก่ำฟุ้นโตรม่ม ได้บ่าก็ว่ได้แล้วก็เขาตาห้องไปห้องมันเน่ยอันนี้ไม่พูดโทรมลายโนถึงฝ่าได้บ่าสันเอ้ามัดเขาก้นเข้าในไตโลกธาตุเนี่ยไปยืนเรียกกันมึงรูะเอ้าฝ่า่มันคือสูงแท้หิมะโทรมายไตเขาจว่าจนบอกเอาเหยญข้อเกี่มึงรูมัดไตโลกธาตุเนี่ยมันกระตกใส่มาห้องไปห้องมันจะว่าในสันแมนบอกโย่บอกสันลังหบอกง่ายๆนะ มีประโยชน์ด้วยประการชิงชันใดยังได้ทุ่งรั่วผันรวงลมมาพี่ท่าความหายหัวผู้ส้นหนีคันดีเดบุก่าเสียมาใดดังใด น, นี่ดีการเกียตส้นใส่พระ อ, องค์เก่าเ อ, อาใ ส, ส่าสตลูกลุกทอดเขาสัญญาติเอาอวนนะ เจ้าอย่างนี้นอนรับหลายลื่นคล่องเหลือล้นเขาใช้ไมาจากคนโคลเล่ทั้งแตรางลูกไครพระพุทธธรรมประสงค์มัติตายจีมัน่ะแต่ลูกแตลางนั่นลุมีีน้วยแก้วย่องอยุบบนหัวส่วนผมทุเรี่ยหมดที่ไหวว่างเมียนคันมีพระพุธธรรมประสงค์ย่องอยุบบนหัวใจเข้าตายไปเ่มันกลับไปตกบ่อหกกันเนี่ย พูดถึงพระพุทธธรรมพระสงีเข้าติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์และพร ม, มโลกอย่างนี้ถูกไหมถึงพระพุทธธรรมพสมก็ตรงกันข้ามไม่น่ารกก็ทับย์ที่รักสามเป็ดอสุรากายพระพุทธเจ้าเราไม่พูดข้าวข้างตัวเราพูดตามมจริงของธรรมพระพุทธเจ้ามามาพระพุทธเจ้าไปบินธบาท เมื่อนี่มันเศร้าโศกอ น, นุนเลยวะสันนี่ไป แ, แวะพวกปฏิภาศกเนี่ขเขจาวาอี้ังกันก็นกฏเดียดวะสันหมู่บั้าเฮ้าไปเขาประตอนประหับเขาบถท้วงปรถามเฮ้าเสียวประอยากอายวะสับนบัณฑาเฮ้ามุจักได้ใจขเขาพอแยะตัวเจะไปสงสัยไหมวะสันมันเศร้าโศกจะไป ว, วะสันแะเข้าไปนี่สนะัเข้าแวะเข้าไปาเถอเขจากกุยศร้าขาจาวโอ้พระสมณะโคโดมมาแล้วพระสมณะลคดมมาแล้ว เอาอาชนะมาปูวพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพวกตัวว่าไ อ, อ้ยังกันคือเป็นจำมวลแต่ห้องไรแวะมาเนี่ฉันเนาะกระเพาะ อ, อนุน่นเพาะนเห็นว่ามันเศรายุห้องไรแล้ปวปล่าไผ่เพราฉนเมาวิชาพบมาโลกขาน้อยเพราฉันพบมาโลกของพวกเจ้าแทดจังไหนเพาฉันยืนค้าเดียวอาปากกินล่มก็ได้วพบมาโลกขาน้อยเพาะนข้านจิต ข, ขี่คืบม้านี่ก็เดวพบมโลกขาน้อยาน ย่างกิเลสเพื่อนกิดได้พบทโมโลกอดอาหารจนสัดไปแช่มากกัได้พุทโมโลกฮะโอ้ยวิชาพุทโมโลกของโมเสามั่นกั บ, บปดวายากเนาะท่ของข่อยวายากเลยท่านวัดที่เหลื่ยมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนตราบเท่าเขาสู้เขาท่พลาดือถือรับที่อื่นมากผลมากไปก็ได้วิชาพุทโมโลกได้เพื่นว้ มันคือว่าง่ายแท้เพราะโดมอะไรสันบ้าก็แม่ไดยังสั้นอีกเียวเพรว่าว่าเขาความตัวได้ไว้ว่าตามเป็นจริงของถ้ำเลยวะสันถ้ำมันมีโยก้อนคอยก็า่าสามารถรู้ได้ถ้าไม่มีโยก้อนคอยจึงสามารถรู้ได้เเหตุจีงสั้นคอยจึงเข้ารบถ้ำคอยว่าสำคัญตัวคอยอยู่เหนือถ้าในเกลือสันผลมาแล้โปรดมากบวชนําพระพุทธเจ้าก็าไม่ยู่งเท่าเด็ดพระลานเอาเสือๆนั่นในในในโลกล้วนก็มาน้อมถึงพระพุทธศาสนาหมด เข็มทิศจะมีขีดล้านล้านก่อตามเชื่อไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชันใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จึงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็พูดรู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่มีกลางวันกลางคืนเลเรียกว่าอริยะสัจจคุณเรียกว่าอนัตตาคุณคุณอันไม่เกิดไม่ดับไปไหนเทียบในทางลึกเพื่อห้นึกหมายหลายท้า นำให้นักคลองบึงบาลต่างๆได้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ได้ลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อนะไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลยมาพุทธเจ้าูุญยางผุนท้ายอาถารเลยพูดตามความจริงยึดถือความจริงดิ่งลงมันไม่เป็นอุปทานพลางยึดยึดมั่นความจริงไม่ไม่ไม่เป็นอุปทานเพราะยึดมั่นตามธรรมะที่เป็นจริงอยู่ ไม่ใช่เกลียดพายุมันวางอยนะ่นันหนกมันจะไปแฝงไปเมื่อใดฮะยึดมัน่นถือมัน่นตามความไม่เป็นจริงมันจริงเป็นอุปทานบนวางสิฮันห น, นะนักทำไมจึงมีผู้ถือเจ้พระพุทธศาสนาน้อยนะักก็เพราะมารมัยยังอ่อนอยู่ ถ้าบามีเต็มตื้นแล้วก็จับมาเลื่อมใสายพระพุทธศาสนาหมดแล้วจึงจับเข้าสู่พระานได้พระพุทเจ้าเอ้าโมกขล่าสารีวุฒิมาจากสายเสนอมาจากสนชัยนาฏบุตรแมนวะนั่นนั่นปัถนะมาเป็นพเป็นข่าว่าบางทายบางัวมาจากขังพระเจ้าใส่มาจากขังเจ่าพระเจ้าอนุมาธถีโมกขล่าสารีวุฒิอนุมาธถีชาลุตตะโม ตโมโลกะปะโตโตนาณะโถนะสาณถิปตมุตตโรสัตตะข้าโรชุเมโทอภิติปุกโรสุชาโตสพโรกโกปิชัตถีนัาสัพูอะถารชัถีปานโโธธรรมะชัีตัโณโททิัตโตอาจมโมโลกิิโตชาวะระังมาโรภุโธชานะโทภุโธวิปัสสีจานุปโมสิกีสัพพะโตสัถาเวสสภูตุกทายาโขกัปุชันโทสัทวาหูกนาคัมโนระนนจั่หูกตโโพสสัมปโนโคตโม พะองค์ขาโหน่พูดปูดปวดปวดปวดชิบตีชิบผาชิบพกชิบกี้ยดแปดชิบเก่าพระองค์ปวดก็เล่นว่าเป็นสาวกบองสาบางคัวนะน่นมันมีมัดตำหนานของ พ, พระพุทธศาสนาถามอะไรก็บ่า่าอีพออีเมอเอ๋ยคุณพอ่อคุณแม่เอ๋ย น, น, นั่นนะ่นนะและที่อื่นศาสตาอื่นๆจะมาตีเสมอพระพุทธรธรรมพระสง์มันก็อื่งอ่าง ของตัวขึ้นแล้วเท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมกระทอกแตกตายคาที่ถูกไหมพูดตามเป็นจริงไม่ได้พูดเข้าข้างตัวมหาปรนินิพานสบุตรเสื้อพัทธผู้บวชต่อผู้บวชในวันปรินิพานน่ น, นสำเร็จพรรพันในวันนั้น เรียกว่าปัติเมาสาวกผู้ปฐมส า, าวกคือโกนทันยะแต่ชาติก่อนเคยได้เป็นพี่เขานองกันให้ทานไม่เสมอกันพูดย่อผู้พี่ชายนะี่ะกูไม่ให้ทานง่ายดอกกูเอาเข้าขึ้นยุ่งขึ้ฉางแล้วกูจึงจะทานผู้น้องท่านเข่าเข่าขังผู้น้องเลยตัดสรุ ก, กน พอเกิดมาศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮาเพื่อผกโณท่นานเนี่ยผู้พิสัยได้มาได้ตัดสรุป ต, ตอนพระพุทธเจา้าสิเขาชูพในีผ่านเลยหนักนักนักนักการท่านก่อนท่านหลังมันบรมเนของขี่แขงแาบนี้เด้เออดเหไหนบอนากัาท่านว่าบักจังกับบักคอยบักกันกับบักคอยจังค่อยเทอดวันโซผู้เฮ็ดไหวเ่อไหร่ที่เนี่ยพันธุ์ซ้ำเลี้ยพันธุ์ทหารพนกระถามพระองค์เก่าที่ รัตที่อื่นศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยันย้วิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏปนโธโยยายะยะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข่าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูเข้าข้างตัวเราพูดข้าข้างทำรัตที่อื่นศาสนาอื่นไม่ถึงพระสวสดาบาลสกทาคามีอนาคามีเลยเป็นโลกีเรา ด, ดีนี่เองเขาก็ไม่ใช่พระสวสดาบาลสกทาคามีอนาคามีพระหน้าเขาเขาจะเอามาจากประตูใดล่าต้องมาเรื่องสายศาสนาพุธทธยก่อนจึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้ ทุกๆพระองค์มากกว่าร0อยโกดแต่อะตั้งแต่กัป ก, ก็นา่าจะสงไข่สงไข่กับแล้วพระพุทธเจ้าสีจักองพรงพระองค์ส่วนก็มาสอนธรรมอันเดียวกันว่าทำให้โลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างคเขาเออขันชาวโลกไม่สื่อมหามาดีบุญท่านนี่ทหารตำรวจที่มีวกินที่แตกเนีย่ยังไงวะไมนกระมีอได้ไหมน่ะว่าแตมีข้าวโลกไม่เสื่อหามดบุญ่รู้อ่ะเนา นั่นมีวัยกริ่นที่แตกที่น้ำเสียหนาทาหารกับว่าต้องไม่ตํารวจกับว่าต้องไม่ขายของก็บว่าต้องเฝ้ากุญแจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมาอืกตั้งแต่พาธิอากอแล้วงบประมาณก็อพอแล้วอันนี้ตั้งไปจักรล้านมาตราไม่กับว่าอยู่บนรถตําแหน่งกิเลสอิปะ อ, อิเมอึนี่ถ้ากฎหมายตั้งขึ้นจักล้านไม่กับว่อยู่คาเฟ่นั่นแท่งอย่างยุ่นนี่นั่น น, นั่นนั่ น, น, น, น, น นักว่าไปเท่าใดแห้งเห็่ยุ้นมาพุทธิเจ้าหลายนักนักนักทไมเราจึงอาบน้าพระร่างกายมันชกโป๊กทําไมเราจึงปฏิบัติสิ่งทปฏิบัติสิ่งทำพระจิตใจมันมีกิเลสจริงจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธร่างกายมันชกโป๊กบ่ได้กับปฏิเสธจิตใจมันชกชกโป๊กบ่ได้คือกันเนานั่นนันนั่นหรือว่าอย่างไรสั่นเนาะว่าน้อยก็พ่อไขว่าร้ายเป็นบ้าปเม่าลำไให้เป็นเบิงจักบอก เพิ่นว่าเป็นป่าขึ้โตเพิ่นก็บมเบิงแล้วแม่นบ่ะเพิ่นมาโหบางพี่บ่าแม่นบ่ะเพิ่นเม่อใครเห็นพี่บ่าเพิ่นเลยเพิ่นรกมาเบิงพูดจะกอดชาลือกันว่าพี่บ่าองค์องค์นึงอยู่นี่แม่นเพิ่นเลยได้มาเบิงกันหรอกเนี่ยแม่นบ่ะเมื่อโตก็มาเบิงพี่ป่า่ามื่อี้คำสอนของเอาพุทธเจ้าทรงต่อพระนิพพานมัด นโมโตเดียวกระซ่งต่อพระนิพพานนโมแปลว่านอบนอบ้นอมนโมพระสราะบาลไม่ใช่ได้ถือศาสดาอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเหลือดีอยามนี้ไม่ใช่ได้อยากจะล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่ใช่ได้อยากจะล่วงอบายกระมุ ไม่เสียอใจอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรมึงเถอะกูไม่ได้มึงเหลี่ยมนั้นเหล่ยมนั่นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีถ้าเคยได้สร้างผิดความผิดมาเขาแต่ชาติก่อนก่อนก็ให้ได้วกันไปสักหรือเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วไปสร้าข้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดแต่โกรธอยู่ไม่ถึงกับจองเวรเหตุนั้นจึงปิดประตูสัตว์จีรสานเปตอสุรกายสัตว์นรกก็มีแต่คติเป็นจองไม่มนุษย์ก็สวรรค์เท่านั้นนะ ไม่ค่าขายเครื่องปะหารไม่ค so ่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตว์เลยเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพอเป็นอาหาไม่ค่าขายลาเมาไม่ค่าขายยาพิษไม่เสียดายเลยขันยุ่มมาคัดทังสิมึงนะขันกูบ่รักษาสิทิกูจิไปไม่ไห้มันเป็นอาาว่าส่นบรรพรุษาสวดอับปางนี่ขนานะขันนั่ไปแล้วโอ๊ยกูฝันเห็นเลขอัน no นั้นนี่ตัวมันบ่เป็นผาสดอับปังนี่ขนาะมันมันเป็นผาสวดดันโสวดเอาสวขาดคันนี่บริจาคหมด คุ้ลรค้นเราค้นาตัวเป็นพ่อทวดดาวันเปิดไปเรียนเลขยุ่สังขารดีว่าสันนอห์มุกไกอยู่ี่ไหนว่าสันเลขมันเป็นมนุษย์ในบัตรมันก็เป็นสวรรค์ในบัตรมันก็เป็นพ่อในบัตรมันก็เป็นพระนิพพานในบัตรเนี่ยใว่าจย่างไรสน๋อั่นนั่นนั่นถ้าถือมนุษย์ชอบบัตรจังถือสวรรค์ชอบัติจังถือพ่อมอบบัตรจังถือนิพพานชมบัติตัวันนั่นคำสอนพุทธเจ้าตอนไหตอนว่าจ้สอนอะไรสักแนวบ่อบอกหนึ่งยังสองยังสางยังพุทธเจ้าว่สอนว่ามีอ สอนพระสอนเก็บสอนป ว, วทดทช่ไหมทำอันนี้เป็นธรรมควรเนิ่นชาเนอเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังสอนผ่าไฟไหม้พวกเธออยู่พวกเธอพวกนี้จึงจะดับมันจะถูกไหมพระพทุทธเจ้ารง่อขึ้นจับหาหม่องไฟซัดขึ้นไปฝนเ <c oughs> น, นิ่นคนเรื่องชีวิตน้งงโดยผู้อื่นเนี้ยเธอพวกเธอจะเสียใจในภายหลังพระพุทเจ้าธรรมะสานันตุ นั่นอะโม่นโมพระโสดาบันวัชไดจะลงระเบิดเชิญหานโมพะสักราข้ามี่กับละเอียดแบบนั้นนโมพระอนาคามีวัชไดจากมาโลภมาโกรธเห็นโทษนั้นโลภนั้นโกรธพ่อแล้วและวัชไดจากจากโลภจากโกรธนี่หลงน่จักน้อยชวนทานอาหารวัชไดมาโลภมาโกรธมาหลงนโมนอบน้อมนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายเท่าน้อมจนแม่มาล้มมาโกรธมาหลงทำต่ละวัฏละบาปทรงต่อพระเนรพลวัต มันขึ้นอยู่กับบรารมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นสิทธพัฒน์หิยะอย่างนี้เป็นตาสักว่ารูปเป็นตาสักว่าเห็นแคัพอแล้วเป็นโยมซ้าห่วยโยมพูดอย่านี้มันสิ่งสำเร็จพระหันมึง น, นี้ตัวอ่อนราคุณเจ้าเพิเพ่นก็นเลยาว่าไปตามก่อนมัน่นขอฟังขอฟังเทศพระองค์แดวว่าสั่งโยมฮอบก็บินทบาทยุ่นเนืว้นว่าสั่งเพิ่นว่าเพิ่นจะว่กไปตามก่อนมันจนเยอะห่วยบัทห้าพระองค์ สินร่มปานมานนี่ก็ได้ได้คขน้อยเดี๋ยวนี้ก็ได้ได้ไม่กทนี่กับายากเด้่สเป็นทัสักวารู้ว่าเห็นเด้อครับก็เร้วะาั่งนั่งดอกบัวมัจฉิบานนี่ก็สีด้เยมัจิบานด้วยมัจิบานด้วยสิมัจฉิบานเนี่ยพระอาทิตย์จ้องมามันก็เรยมันก็เรยบานอะแบว่าแบบนีแก่ขามาเนียจะขังพระพุทธเจ้ากัตถะเรื่องพระบนไดายิมเนานั่นนั่งพระบรไดายิมเนีพูดนัเขา เหตุสั น, นติมาขัามสอนเจ้าวัดละบาททอง่อพระิพ้าวัดมันข้นอยู่กับผู้บารลลมีแก่กล่ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นเหตุ่ไหนเังามาเป็นได้สักว่ารูปเป็นได้สักว่าเห็นแตกชันในี่ยปฏิสมัมพิทาสีสัมระโบอัฏฐะปฏิสัมพิทาแต่ชานเนี่ธรรมะปฏิสมัมพิทาแต่ชนันเนี่ยธรรมนิรุตติปฏิสมัมพิทาแตกมิันในนิรุตติปฏิภาณปฏิสามพิทาแต่ชนน่ปฏิภาณ เป็นได้สักว่าลูาเห็นไหมความว่ามันสำคัญตัวเป็นผู้ลูกผู้เห็นม่นสาคัญว่าผู้เห็นเป็นลูกเป็นเป็นเล่าม่นสาคัญว่าเราเป็นผู้ลูกผู้เห็นอัตวาทุบทานมันก็แตกกรเจิงไปเลยเลยมันก็อยู่เนื้อเห็ดเนื้อผลไปละบานะอยู่เหนือเล่าเนื้อเขาเนื้อสัตว์เนื้อบุออคคลไปละกันวินญาณมาชุติปันกับโมี่นม่ได้หล ง, งเชื่อในแทั้งปวงในโลกระบาทเนื้อไประกัน เนื้อคมหลงจะคของก่อะคมสลัดเนื้อคล่มหลงจะคล้องแล้วคล่อมหลงเฉตังเนื้ออะไรบ่คล่อมแม้นหุงเนื้อสลัดเนื้อคล่อมืงปลลงควมืงกระตัง้ออะไรวางเอันเดียวกันน่ะหนักหนักนักนชนะความหลงด้วยความไม่หลง คำอุปทานถือมันในคมทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิสีละพุตุปารทานถือมันในสินเพราะอัตวาทุปาทานถือมันวา่วาตะว่าตนว่าตัวไม่มีแล้วอุปทานอื่นๆก็แต่กระเจิงอไปนะที่นั้นเอไม่ต้องเรียงแยบว่าอวิชชาดับสังขารดับนามรูปดับอายตนะภัาสาเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติฉราดมรณะโสกปฏิเตวทุกขโธนักอุปาธยาตดับเป็นอันว่าพกองทุกทั้งปวงดับด้วยประการอย่างนี้ว่าแต่ว่าจังสั่ง ที่พระองค์เจ้าเลี้ยงให้เห็นน่ก็ไม้ควัมวาเพื่อให้สมภูมิพระองค์พงคเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจขันชนะอัตตวัตถุ ป, ปาทานเนี่ยว่าสาคัญว่าตนว่าตัวทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยกีเลสมันจะมาแต่ใสกันอันกิเลสมันไม่อยู่นี่กัเพราะว่าเมื่อวัน จ, จักกูวัดเนี่ยเขามาเหยียบขาแม่นวะ โป่ให้แันตัวไม่เหนบ่ยงผ้าโป่งกิเลสเนี่ยผ้าโป่งส่วนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเห็นอย่างเละเะเลผู้ใดไปร่วมเกิดมันมันเป็นเคสคบมันจได้ขนาเพเพิ่นว่าทราบผู้ใดดีอันเนี้ยเขาตอบกันนั่นมันส่วนคนตอบกันนั่นมันกับบาปก็บไม่หลายตอนี้เูที่บางที่อันเพิ่นมาตอบผู้ใดที่กมันจะบาปหลายคือไฟเดี๋ยมันก็ห้าไร่เทามันกระทบเท่ามันบาปหลายเห็นบ่น่ นั่นนั่นขันรอกเาข้อออน่อยใส่แ่าหมู่อนั่นแล้ว้าสำอยต้วพูดที่จ่อพุดแ้เอาไปใส่ยามไหนกับวัดเทพิษเนยเป็นของใหม่ๆอยู่เอสชาโมธนันตโนพระทมเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ใครเอาไปใช่ก็ใหม่ๆ่ไม่ใช่ของเก่านะนะขันไม่ห้นทางกรับลาดยางแค่เดียวเท่าเด็กกระเราะรถวัดเ เมื่อได้ไปลุ้มเป็ น, นบอ่ออีกคำนั้นอาหารกัดหงเ์ืคอเดียวท่านนั้นบ่บูดมะนาไภัเปิดย่ำไหนก็พอกินอยู่ห่าวกันคำสอนพระพุทธเจ้านั่นห้ามบ่สงสัยได้คำสอนพระพุทธเจ้าห้าบ่สงสัยเฮาเห็ดไหนท่านได้ก็บมะเด้่อ้องเฮาเฮาเ็ด้มื่อท่านได้กับมะเดื อ, งองหองเฮา้าเฮาสงสัยามบ่สงสัยอันไหนจะไปดีก็คำสอนพระพุทธเจ้าเพรไม่อันไหนพันเราบดัดดยพวกเขามีอาภัยกรสอน ้ยย่อย่ักเธอเป็นภรรยาด้วยนายโดมินด้วยนายประพฤติร่วงใจด้วมอบความเป็นใหญ่ให้ด้ให้เครื่องแต่งตัวผัวได้เนี่เมียจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไหมประพฤติร่วงใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวให้ามาในวัขยาไในเกียจานในกิจการน้าพวงนั่นแะเมียขันผัวกับเมียมีสอบขอแล้วควทะเลาะบาแยงมันช้มาแต่ใสสันเอาเอาเอาเร า, เ อ, าองาูสันเอวทีนี่นัก